เลาวก็ตอนนี้ค่ะหนูจะของเขาฮะหรือว่าตอนนี้ก็ดีทางวัดเขาเสียเอาเขาตะล่างลำบากหนิเขาเสียไมนํำบากทางวัดอยู่จะสามทีนออกมุงผู้คยนักใจ่มากตั้งสองปีเราเรื่องอนี่ยมันเป็นว่าแล้วมันกับมันก็บไปส่งคว้วยเขาเท น, านึงอะไรล่ะขาหัก ก็เลเสียให้เขาไอไ้เนี่ยมาห้ามไปส้คนค้นชื่อผูกผู้มิเกียรติฮักขวาเขาทีา เ, าเอาล่านเ น, น, นึ่องอันนี้ฮะเนี่พระศิวะเป็นจำเลยบ่ตัวทอแล้วเขาไม่อยากไปศาลจำเลยเขา่อยากเป็นโจทย์เขาไม่อยากเป็นพย่านจำเลยเขาไ่อยากเป็นพย่านโจทย์เ่อยากเป็นจจเจ้าแล้วอันนี้เขาคิดว่เกี่ยวของน้องพ่วอว่อันนี้อยากศึกษาอะไรอย่าง้พระหจักบ่อนตอกมือต เจียวเนะาะข้าอุ้มเนาะเพราะว่าของรถของรถสายเป็นรถฝากสิว่ารสิวเลก็ไปฮนี่มันเป็นตังสี่รถขั้นนั้นเป็นสี่รถขั้งนานมันเป็นเป็นของอายัดฮะนี่มันก็เคยใส่ยานวัดเนี่ยฮะมันเลยตายฮะนี่มันตายแล้วอัน เมียมันก็เลยเพราะท่านท่านไอโอนท่านเนี่ยมันกับเมียเน่ยเป็นผู้มีคู่สมรส ก, ก, กันแล้วถืก ต, กต้องตอกกฎหมายอย่างทานเนี่ยรถมันคงถือตกป็นของเมียมันหะนแต่หันท่านอโอนออกจากอายัดได้เลยแต่ว่าน้องผัวน่ะน้องผัวเป็นผู้ขับเยอ่นี้ น, น้องผัวเป็ น, นผู้ขับอย่างา แล้วข้างนี้พระนั่นเขาบอกไม้ได้บอกว่าสนอกขันพระประจาังก็บด้คิดกับบวชในพระหยาบค้นเขาถือโบราณส่นสนอ ก, นอกมันว่าเป็นพระดอกทั้งรูาเนอะจะต้องโตแกะคอคล้องาตายไปแล้วกันคนจะเป็นท่ายัหลักคือเนียอันส่วนพระนัน่น ไหนไหมันก็จะเสียซอยวนอ่ะเจ้ามนเสียในฐานเปลี่ําถ้ำวะท่านี่ส่วนอันคดีทั้งร้านจือ่มาโต๊ะพระมรดกว่างกันแล้วมาโต๊ะครับอืมมาโต๊ะครับนักแสดงแสดงว่าคนที่รับผิดชอบตัวทีหนึ่งแจริงคือเนี่ยเนี่ยผมนายจับอันว่ามันจะฆ่าร้านกมูครับว่าจะว่านายจับวันนายัดจายจ้าว่าทนโจรพวกโก็กลยเป็นว่านายจับนี่คีอผู้สมรู้ร่วมคิดนี่นี่ผู้สมรู้คิดต่การค้นมาอกอัน ญาติผู้น่ครับอเป็นผู้รับหัทีชอบรถนสรอนนึง้วส่วนน้องพัวผู้ครับนันคนนั้นจะเป็นจำเลยอีกคนนึงครับคนขับเป็นจำเลยจำเลยคนหนึานอนเมียเป็นจำเลยที่สองับหรือเปเมียเป็นจำเลยที่หนึ่งอันพี่นั่งกันเนี่ยคนขับก็เป็นจำเย่จของรถที่สอ่าอันพระเนเลยที่สามพระ่ได้เกี่ยวกันเนี่ อันนีอันสารกขจะบมาเรียกพระพจ้าสวนมหันสีเอาเส้นที่ยงถุงาไปีวไป่นต่างอีมากบอกว่ากไอเทานี่ยขึ้นไปก็ไ่เป็นเอาอละฮเนี่มาเรียกแต่อันนี้พระมุนีรบเปิดแม่บุญีข้าพเจ้ามาได้เป็นเจ้าอาวาสมันก็ขึ้นอยู่กับหลวปู่นั่นแน่นอนรเจ้าบรในลักษณะสตกเป็นเเลยแ้าสต่าหา่างจับเดีไฟเดีอ่าอีมาช่าปากปากอะสิการฮนี่ โอ้ยไปจะอุ้กเลยฮะเ่เข้าปฏิเสธเลยอืู่เข้าปฏิเสธเลยอยู่บ้านพอับดูถึงไปอ๋อเป็นปพยายนให้เจ้าจ้างเขาอางเนี่ยให้คอยเรียนละสองพัน <c oughs> ไไนี่ยอือีุดก็เอ้าจุก็ปฏิเสธไปฮะนั่นนี้เกียงไส่เกียงไสมากบอเกียงไส่มากบอมั้หือ ถ้เนี่ยพวกที่ใส่รถได้หลายอยู่น่ะผ่านเพื่อนเฮติแองไลชันถนายจันทร์่งส้าถึงก็มีตั่ซีฟขันคนเมื่อท่าโตสามารถขึ้นสิญญากองฉันเนาะรถผู้สีก็มีค่านรถเบรดิคนก็เสียหายไรกันเนี่ย มันก็แล้วแต่กรณีแล้วเนาะไอ้ที่เราใช่ว่าระบบอะไรอย่างเงี้ยเราเท่าไหร่มางันงทกฎหมายอย่ง่สารยุคที่่ัง อไหนๆมันก็ต้องเกี่ยวใช่ไหมถึงจะแพ้จะชนะมันก็ขึ้นอยู่กับพระเอกศาสนาประวัติของเราก็ไม่ดีเพราะประวัติของเราได้ขึ้นลงเส้นฐานเลยคุณจะบอกฉันว่าประวัติของเราก็ไม่ดีถึงจะชนะก็ตามถึงจะแพ้ก็ตามถ้าเป็นโจเป็นจำเลยแล้วก็เราก็ไม่ดีทั้งนั้นเกลียวไม่จำเลความเกลียวแน่นอนเป็นพยานโจทย์ก็ไม่ดีเป็นพยานจําเลยก็ดีไม่ไม่ดี เป็นตัวโจทย์ก็มาดิเป็นตัวจำเลยก็มดาดพราะเกี่ยวกับทางโลกนั่นก็ไม่อันยุ่งเนียดูขึ้นุกยังไ่ได้บุกจากต้าวไฟไหม้ดืฮ มันมาไนอืม คือนหน้าเขาจะว่าห้องหาเนําเดี๋ยวเขาอย่างนั้เขาเออเขาบอกว่าบุ้งี่รักฐานเลยจะแบบนี้อ่ะเขาบอกว่าบุ้งี่รักฐานเขาคงจะว่าห้องหายเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยนมันาระปิดตัวที่นี่บ่เม้นให้เมันให้สขเอาว่าไรมันเกี่ยประเพืนีครับแน่นอนที่สุดคือเราตบเรื่องนี้กี่ยบเจ้าของ เป็นจักของรถเียหันเรือไห่เนื่องที่เกี่ยวกันเลยเป็นค่าจ้างเงินจาาา้างนะครแบบนี้เาเรือเลยเจ้เกของรถสึงรากรนนอนอ่ไอนไรสำหรับค<อ>ว่เท่านี้เป็นเรื่องการจา้างต้นไปครับรถครับยังเป็นอะไรนเียวเาเอามาใส่ในวัดาสอบขอเขาก็เป็นท่านเมตต า, น า, นนาเนาะเขาไห่น้ามันเขาใส่เป็นทานเมตตาเนาะ เขาให้งินเขากับปรานแม่จานอะข้าอข้อาวาาหม่าที่จหน่ายใจอยู่ใ้่ก็ขายตรงี่ป่าเขอมาดยวธรรมดาจากข้องรถเขาแค่นเขาพอที่ได้ารไดเขาก็เอาไปแม่นว่ะเขาว่าสั้นกับเขากาวีเนี่ยเสียเสียค่าภาษีเขาแม่นว่ะอือเขาจุด่าไฮรถดกับบให้ค่าเขามันกระบาถึกใ่ของเขาซือ เจสิวังเลยนะถ้าพระไม่ให้เงินเดือนเขาเขาเข้ามาได้วิ่งเว่ะเขาก็ไปหาวิ่งเนื้ออื่น้ำเก้าเนื้อล้วเสือายองมาเสียงใส่วายหนักตัวสัตว์หนักตัวไหก็ต้องยากตัวสัตวเสียงใส่วายถึงเราจะจะชนะก็ตามมันก็ลาบากเหมือนกัน สมมุติว่าเราเป็นคนดีๆมีผู้มาจับเราเราประกันออกมาเราก็ยากเหมือนกันเ ร, กกเราเป็นคนดีๆอยู่เขาหาว่าเราเป็นคนขโมยเขามาจับเหยอะนี่มันก็เข้าคุกก็เสียหน้าเหมือนกันอย่า น, น, นี้ถึงเราจะแค้ตกกก็ตามอ่าง น, น, นี้ถ้าเขาหาว่าเราเป็นจำเลยหรือเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยเราก็ไม่เหมาะทั้งนั้นเพราะเราเป็นพระมันจะเป็บบนข้ออ่อเลยอ่งนี้นอ โดด จ, จรก็ไ่อยกเป็ี่ยนยังเล่ยก็ไม่ยกเปลี่ยนเงี้ยเลยพยานโจทย์ก็ไม่ะยากเป็นพยานจังเลยก็ไม่อยกเป็นนีนเงี้ยพราะเขาเลยงู ม, มันแนว <c oughs> อันนี้ซึกงสาพี่น้องพี่น้องนีร้างโลกวงจกักรเขาวงจักขิดังดี่อยางนี้ยาสุขามันมาเกิดอีกงูเหาจ้ า, จามันอยากหลกอัน <c oughs> เปนเถื่อแต่นาย นี่กินเพระพอกินเนี่ใส่พราะพักใส่ครบพรดเจรดอันที่ว่าคัดของเพราะงเพราะมันกินเป็นใส่เป็นเหตุสัตว์พระพุทธเจ้าที่มาสอนพนมูห่าออกนี้จากโลกลพระเทวดาเพื่อไว้ย้ายมาอยู่ในโลกอันนี้ขัดไปว่าได้ในศาสตร์นี่ย้ายให้มันกายพระศิลปยมีเหตุใจย้ยมันกายพระพุทธเจ้าสองสามพระองค์เลยไปงนะ่ ถ้าไปบ่ได้ได้ศาสตรนี่ยนีให้ในายมายูยโดนนายโยย่างไดนก็เห็นหนึ่งแจ๊กแนวคัดของสิอะตึง่งแซวว่าแกคัดของน้อนแกคัดของพอนอนนางแกคัดของพอนงพางท่านใจเขาออกด้วยซ้ำหลังกิ้นยูผู้ว่ายมิเตีแนวคัดของเมือ่อในโลกอันนี้ทัานใจเขา อ, ออกกับไม่แนวคัดของอเป็นโลกใช่นับทัานใจว่สะดวกเพราะวะ่ากูตันดังกูเพราะว่าออื นอนกระปวดแทงปวดขาซาระผัดขบปอพิกหนะพริกหลังสะพทุกข์ตั้งปวงมาห่วมอยู่ในโลกอันนี้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นแหละสีออกจากทุกข์ได้ผู้นั้นเสิเบื่อนายทุกข์ได้ผู้ใดบุญเห็นทุกข์ผู้นั้นสิริงศ์มาโตเป็นคนสาคัญสมควรกูสมคว ร, มควรมไม่มีทุกข์กาสันจางเจตทงางวัฒนผผู้สมควรเพิ่น ผู้สมควรในท่าของพุทธศาสนาเนี่ยพระสวัสดิ a w a สัคข้าคามิอนาค้ามิพระอรหันต์พระอรหันต์สมควรยิ่งแล้วเพิ่นโมโหสมควรทั้งกินทั้งขี่ทั้งนังทั้งนอนสมควรทั้งโอดทั้งโกรธทั้งหลงทั้งเว้นทั้งไผ่โมโหปัญญาเสียดิตถ้าจะไปว่าถ้าปัญญาเสียดิตทั้ง หวานเสี้ยวมากเนี่ยอยางยาเสพติดมาเกิดมาแกมาเก็บมาต า, ายยาเสพติดมากินมาขี่มานั่งมานอนเนี่ยมัอนี่มันตเกิเป็นยาเสพติดมั้งจินจินได้มาหายากนอนมากไม่รู้ตื่น หากผู้อื่นยิงกลัวหักตัวของคนกลัวกับกาของสั่นเทือกเป็นของง่าวจินไรมาหายากมันจะแม่หายมัดแถวแนวนะควอมนึกควอมคิดดิกระบาหายากจะเถอนึกแก้มได้กับ น, นึกคือยสำนึกใจกอิมอ้มโมยิ้มนอนมาโมรู้ตืน่นอันนี้จิ้มความหลักคือกัน ก็ตื่นออกจากวตาตัฏสงสารนอนใจอยู่ฮักผู้อื่นยิ่งกว่าหักตัวว่าพ่่ะค่ส่งเสริมกิเลสหักผู้อื่นาา ม, าา ม, า ม, มาส่งทํำมาส่งเสริมธรรมะของโถของขวดกลัวกับกะการมาเกิดแก่เจ็บตายของขวดกลัวกับกาใส้ฮะโรกโกรธล้มหมดเลป็น ข, ของขวดกลัวกับกาใส้ ของสั่นถือว่าเป็นของแง่าอาอยุเนี่ยมันสั่นชั่วชีวิตชั่วหั่นใจเขาออกเขาบันทึกว่าปเป็นของาแง่หินไร้ปัญหาอยากควบเนื้คิดกับปัญหาอยากก็เถือตาไปเห็นลูกกับปหาอยากก็เซื้อหัไปสร้างเสี ย, กายางกับปัญหาอยากก็เถื่อดมกลิ่นหอมกับปัญหาอยากก็เซื้อ ลดกระทบลิ้นอันมันแสบมับพวกหายากเกือกเกือกโหดทับกะพระเย็นห่อนอ้อนแข้งมากระทบนีมันน้ำม า, า, มาหอมผา <c oughs> อย่าว่าโหตทพะนีมันห่อนมากกินน้ำแข็งกับเขาหมอมเอรุ่มพัดพัดร่มไสกับว่วหาอยากเกือเกื่อกถ้ามาล่มที่มานักคิดได้คิดได้ ใ, ใจห ก็มักหายอยากก็คืออะไรมักหายอยากนอนมากม่นหลืตื่นนะฮะหากคู่อื่นยิ่งกลัวหักตัวนะฮักขี้เหร่แยิ่กลัวหักเจ้าของเนี่ยงูหักงูสาวไปตะกรัดเจ้าของข้อควรกลัวกับกล้ากตมันขิ้เหร่นี้แหละกับกล้าใส่การเกิดแก่เจ็บตายเป็นข้ควรกลัวเนี่ยกล้าใส่โลกโคตล้มหมนี่เ็นข้ควรกลัวกับกล้าใส่ เวนเนกับผองขวดกัวกับกะไส้เด็กผ้ามันิีบมันหายกับผองควดกลัวกับกาไส้ในทางห้องฉีบอ น, นี่ยไม่นแม้เมดเอาหลอดของสั่นว่าเป็นของเงาชีวิตนึงสั่นที่สุดเพื่อเป็นของเงา ให้ใจเขาบอกออกบอกว่าตายให้ใจเขาออกแหละว่าเขาบอกว่าตายอย่าเห็นก่อนตายกับเมื่อก่อนเกิดอย่าเห็นก่อนเกิดกับเมื่อก่อนตายใั้เม่อเกิดเกิอยู่นี่ก่อนตายเกิดอยู่นี่สิไปรี่ยู่ไส พระพุทธเจ้าไปนางสั้นยังหันบัน ไ, ไหนไปพบเจ้ากรฟ้อนเจ้าของมาสิของเนี้งของเอาก้อนตายไปน้ำนางหมโยนนี่กัแมงก้อนตายมัดกับแมงก้อนเกิดมัดคือกันกับแมงก้อนแก่มัดคือกันก็บแมงก้อนเก็บมัดคือกันเกิดเป็นก้อนเม่มันว่ดเที่ยงมัดคือกันกับแมงก้อนเปื่อก้อนเน่าคือกันน่ะ ไปนั่งมื่อไหนก็ไปนั่งต่อกองฟ้อนจะคล้งองมาสักไปนั่งซ้ำยังหันเมื่อไหร่ไม่ตะกรฟ้อนจะคล้งองมาสัก็ึมีอนะคล้องก่อนตายไปนั่งอันนี้นทั้งนอกหกอุ่นก็ไม่นเนอในแผ่นดินนี่น้ำมูนี่มันกองฟ้อนอเพรามูเฮ้าเพราะละมูเฮ้าที่ออกมาตายอยู่นมนี่สาตรเป็นทรัพย์เจสานบว่างสาสตรเป็นมนุษย์บ้างนําแผ่นดินตอนไหนอันตอนมูเฮ้าเสียเวลาตายใช้วงมีในใตลูกกระถาแผ่ น, นดินไผ่นอกก็ลา้ว่าแผ่นดินในน่นไผ่ในอันนั้งหงอยู่นี่เกิดขึ้กัน มก่อนตายวัดมันเกิดเท่ไหรก็ว่าเกิดน้ำก่อนตายก่อนเกิดก่อนแก่ก่อนเก็บก่อนตายอยู่ซ้ำนี่ถ้าพูดถึงเจ้าชี้ซ้อนให้มูเฮาเค็ดหลับเลืเบือนายซอนให้มีสินหาบ้าสินแปดบ้าสินช่องไหลยึดเค็บาสินจีบ้าซสอนให้ทรรมาหาอย่างชี่ิในทางที่สอบทรรมาหายเรียงชีวิตในทางที่สอบแล้วชีวิตเบี่ยงเว้าออกประพฤติพบไม่กันเพื่อสินี้จากวัดเจ้าสงสามันกวนมา <tem> ว่มันเสีมากินว่ามันสีมากขี่ืี่อิว่มันเสีมากินมากขีแข่งกันนี่สิว่มันเสียมาแข่งลาบแข่งงดกันนี่อิลาบไม่มีกระแสงดมันมีก็ใส่มันามีไม่ลาบมันก็เสียออมลาบไม่ออมันก็เสียมหยดในมรราสงสารนี่นี่เกิดมันก็เสียอมเกิดกันซึ่งไหนสมมุติว่าใดซึ่งนั้นมันคืเสียเนี่สมมุติว่าไดเกิดมันก็จะสมมติว่าไดตายเนี่ยสมมุติว่าใดกินมันก็จิสมมุติว่าใดขี่ขึ้นเขาเนี่ย นั่นว่าอย่างไรสนะะ้สมมุติว่าได้อันนี้อันนั้นเกรียตัวเสียมไก่ตัวนึงอก้อนตมานนกตัวนึงก้อนมาน่หมูตัวนึงเอก้อนไตมาหนึ่งงูตัวนึงก้อนตมาหนึ่ลูกเีย ลูกไม่ซิบกนเขากอนตายมานําำซิบก้นร้านไม่เหรินหลอนขึ้นกันนั่นเงื่อนขึ้นกันนั่นมันเขามาอันสิ่งที่เยาสมมุติว่าได้ซิ่งนั่นถึงสมมุติว่าเสียเนี่ยเขาเสียไปก็ไม่แต่เนี่ยมาได้เขาไมนโมเสียไปไม่ถี่เขาไม่เขาไม่มได้มันีิเสียมาใสมันควบเสียมันก็ไปกลางได้ควบได้มันก็ไปกลางเสียเน่าตาสงสารนันไม่ได้เนี่ยมันโมเที่ยงเาวกันก้อนตายมันก็มาจากค้อนเกิดมันพุทธาว่าก็มาจากผู้อนนมเหมือนกัน เมื่อในโลกในสงสารเนี่ยมันบวมบันบะเทียงนสิมิแต่แนเนวโบกีรื่องยังเงืนสิพระพุทธเจ้าจงสอนใหมือห้ามเวีอนายจงสอนในห้มือห้ามพี่ชนะเนื่องเพื่อสิบวิรืบตัวเพื่อสิบวิได้หลงเพื่อสิได้ค่ายความหลงเพื่อสิบวิได้ามาเกิดแก้เก็บตายในวาตาสงสาร น, านั่นสิบคอยเบาไปเบาไปเบาไปเบาไปขันพระพุทธชัดนีด้อือ ก็ได้นักนะลุกประศัมันกับป็นญาวิเศษมันเป็นเหตุแห่เห่าด้พี่ในหน้ามืดชุกชิ้นชุกยางมันเป็นธรรมเทศนาเมื่อใบไม้รดนับเป็นธรรมเทศนาลุกพ่อว่าคือเกิดมาเพื่อรดนใบไม้คนเห่าเกิดมาเพื่อแก้เพื่อกเก็บเพื่อตายนั้นมาเพื่อมันกับเพื่ อ, อยังเรตัวเดี๋ยวในี้ใกล้สะตายก็มึงเศร้าเนี่ย ไอ้สิตายก็วลงมากยับเคอยับคอาว่ถอยออกที่อื่นมันยังถอยออกควบตายว่ถอยออกควตายนี่มือไมีเทียงถอยหลีกควบแก้ก็คือกันควบเก็บก็คือกันมือหนีห้องกระเทากเขมื่อเศ้านี่นับมือเท่าเขาชนะตาความสุดร่มอันมู้นี่มู้นี้หน้าตายโลกธาตุมู้นี้นับมือแตกมือสลาย วตั้งคณีก็แตกเเหมือนตอนน้เียมฝนตกป้องแปงป้องแ้แตกเนตั้งเฮของสลายเปียบเหมือนตอนน้ำฝนตกมาป้องแปงป้องแปก็แตกไปเปียกเหมือนกระถาดินเปียกเหมือนต้นกล้วยเปียกเหมือนใบไม้เปียกเหมือนดอกไม้ ใบไม้นี่ว่าได้ลูกขาดว่าแต่สีเหลืองอะไรจางโลนบมักใหม่ก็คือกันว่าได้ผูกขาดว่าทีซุกหลัสกสกัดแห้งโลนให้ระว่างแต่และต้นแล้วต้นมันคปรงเึ้นมันงอกขึ้นต้นใหม่นมักใหม่มันจอขึนมันการรอดยังจะผิดแต่ดอกพวกนันออกจากกลหมือนกรมีเห็นนั่งดับรับรับรับอปจนถึงพ่อโบมพ่อกินมันมง่วงอะไรอันนี้คือกังบัด คนเท่ากับทุกอ่ามันเทนาอดเลยชักตายตายมานจอใน้องก็บมี่แทงออกมากกับมี่พระเป็นไทรประคอออกมากกับมี่เพรได้เงเดือนนึ่ก็บมี่เพรได้สองเดือนก็มีพราะได้สามเดือนก็มีพอได้สี่เดือนหาเดือนหกเดือนก็บมี่ออกมากตายเจอในถอดกับมีออกมาพ่อขวบพ่อข้าหนีตายก็มี่ ข้ามามห้แต่แอแต่แอสองสอบาดตายไปก็มีทุกระยะอารดวันที่จันทร์อังคานพุทธพลหัสสุเสานี่ต้องเกิดแก่เก็บตายในวันถวดเก็ทั้งนั้นแก่ก็แก่ทุกวันเก็บไปเก็บไปทุกวันตายก็ตายอยู่ทุกวันเกิดก็เกิดอยู่ทุกวันเกิดมาเพื่อตายแก่เพื่อเก็บเพื่อตายสับทางไลสังหารทางหล่อันมุ่งนี่ยุ่นเย็นเปียนไปมาออายุําเก่าซึ่งม่งนี่พระพุทธเจ้าสอนในห้องพี่กัน呐 เือห้องศิบปว่าด็กคุณในเชียงนวัดตาสองสารสมมติเด้กคุณในเชียงนี่โมหล้มเจ้าของเพื่อสดยย่อมจานวนมาเจ้าของย่อบบนาสาโหดยย่อมพท่านเป็นคนสมควรสมควรยังไหนขันน้นเป็นคนสมควรพระโสดาบันกับพระท่านเป็นพระเจ้กระท h a ข้ามี่กับพท่านเป็นพระอนาคข้ามี่กับพดพดรบท่านเป็นพระรหันกับพรท่านเป็นที่เป็นคนสมควรยังไง คนสมควรในทางโลกกุตละกับเป็นพรโสดาบันสกทาคามีอนาค า, ามีอนหนตัวคนมีศีลหนึ่งตัวมีศีลมีถ้ำหนึ่งตั ว, วจะเ็นค น, มคมนมสมควรยังไงอืมมันไม่ท่าสมควรนันอะเพราะไหนว่าเปี่ยนมนุษย์น้าเพลินเฉยทำเป็นคนสมควรแท้กับเป็นผู้มีศีลมีถ้ำเออทำมาหาเลี่ยงซีวีนในสร้างที่สอบกินเหล่าเมายากระจองเวน้นเป็นคนสมควรหาวพระพัรอันเมือนี่ยังพันเป็นคนสมควร พระเจ้าพระสงค์คือกันชาวบ้านเป็นคนสมกวนคือกันเท่าไหร่พระเจ้าพระสงค์ไปสรงเสริมเป็นคนเรียนบัตรเรียนเบอร์เลียนเลกเลียนพาเลียนชูพวกเขารักษาเสียนหายหวันบ่ได้นั่นมันจะเกิดสมกวนสมกวนยังไงบอองสันว่าอ น, นุตรร่างผลงยักเขตต่างโล ก, กัสสาตีพระสงค์เป็นหน้าบุญของโลกขณะนัน้นพระประสงค์ก็เป็นหน้าบาปของโลกที่ไปสอนให้เขาเลียนเลขเลียนพลาเล่นบัตรเรียนเบอร์ เป็นบวกเรียนเบี้ยมันชิป็นหน้าบุญของลกมัธยสัยมันชิหน้าบาปเปนลนอ่ะสิเป็นอนุตลังบุนยักเขตตังเฮียงเ็ดบุญของโลกในเขตบาปของโลกเ็ดชีพหายของโลกนั่นไอ้โมนี่อยูน่นาที่ห้องที่พี่ยัหน้ามืดอ่ะต่างหมอกกายถวายทีนเจ้าพุทธธาประสงค์อยู่ทุกเมืองว่าให้มีประมาณถึงพระพุะทธาตประสงค์โดยสมาทานด้วยอธิษฐานเมื่อต้องถือผีสารข้างแดงมาปน ตาย ม, มือนั่นก็ไปสอนมือนัอ่นพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพิงสมาท่านลงในจิตในใจแล้วเอาคิตใจจะคล้องเป็นพยานเอาเจจะหน้าจะคลองเป็นพยานเอาคว้วจักรมันคองจะคล้องเป็นพยานไหวผู้อื่นไม่เป็นพยานไมันสือว่าอวดว่าอวดก็ได้ผู้นั้นละโลกแล้วไปบันเทิงในสวรรค์ ผู้นำตายอหรเสียนล่ปลายมือได้กระดายังตำตำเลยพระสวรรค์นี่ยยังสันโลกุตราสันที่เองก็ไปถึงพระสวราาบันสันที่สองกัตริย์ข้ามี่อานาข้ามี่อรหันไปเป็นลำดับหรอข้าวพญาก็เป็นดอกบัวย้ใต้น้าข้าวพยากเป็นดอกบัวอายุพ่นน้าเนี่ยม้นที่เป็นพุเชิญคนน้ำเปนได้กระดามเม้นที่มีเกี่ยไหลเกิดาป็นกระชง กะสีไม่จยากเป็นดอกบอยยึใต้น้ำแต่ยังสืบถือไ er, ม <c oughs> ่บาปไม่บุญยูผู้ถือไม่บาปไม่บุญเขากระได้บุญยึดเสมอผู้ถือบอมีบาปไม่บุญมันกระได้บาปยึ่เสมอเพราะมันเห็ดบ่เลือกได้กินบ่าเลือกได้ผู้ถือไม่บาปไม่บุญมันยังมีเลือกอยู่ได้ดิถึงที่เฮตุบาปก็บุญปนกันไปแต่ยังแต่ยังให้เขาผู้ผู้ถือบอกไม่บาปไม่บุญรู้จะขันเถือนละอนเถื่อนเลยนี่ย พูดถือม่มีมรคนในพ่านเขาก็สนใจไปสร้างมรคนในพ่านจิตใจกระนับมือสูงขึ้นผู้ถือมีบาไม่ีบุญกรจิตใจกระนับมือสูงขึ้นผู้ถือไม่มีบาไม่ีบุญจิตใจะนับมือต่ำลงหนแล้วไวนั่น น, น่เสียงแา่ิกาบอกล่องพาราเดอร์ล่องพราเดอว่าท่น ลงไป่าเรือลงไป่าเดือวันนี้ใคจะเห็นหนังเฮดซะเรือตัวแล้วมีเสียใจพ่ายหลังเลยตัวนักกาบอกดนนากดีกากับหน้านี่ใจกับอันยวนของใจเป็นพูทสมมุติขเกน นี่ไงอ๋อมันไม่ใช่ใบบ่ฮะมันม่ใช่ใบบ่แม่บ่เป็นรัฮะทานอตไม่ใช่บ่ต้นบานนอตบ่ไรยุ่งเหรอเนี่ยมันนอตป่ากคือนอตนอตหลัต้หน้าพุทโธ่ไม่ดองเลย ตายฆ่าพุทโอ้ล่ะไปใไช้กับแม่ลูกก็บ้านละไปเทวโลกคาาานล่ะตาย ค, ายาค่าพร า, าหมนา่ะไปใช้กับแม่ลูกก็บ้านละพระคือกันยมคือกันบัติตายค่อยตายฆ้าพาวานาล่ะไปใช้กับแม่ลูกก็บ้านละพอเสือพราหมนาล่ะตายฆ้าพุทธโอ้มโมทมุสังโกของพายห้องมั่นผู้พีพ่ช น, นาทุ ก, กตายค่าพี่ช น, นาทุกของเขาเริ่มหายใจเขาออก ครู พ, พี่เจ้าน้าเด็นได้สักวารูกเด็นได้สักว่าเห็นกระตายพร้อมกับลมให้ใจคออกค่ะใช้กัไม่รู้เขามั่งละ่ะตายละเตรียมตายได้เดี๋ยวนี่ <c oughs> เตรียมตัวสิตายได้เดีย๋ยมันจังแวีนนุ่มสร้างเถา่าสร้างต้องเกยบตัวที่ตายเยอะเสมอสมอสม อ, <c oughs> อานอนตัวล้วถึงร่างายมือได้จักเทีวมาั่มือแล้วลอยเทื่ยวแล้วขอหน่อยมาั โอ้ยตัวยังผมานอยู่ได้อันนั้นไหมมาสัน่นดามท่านยังจะเสียวมะหมีมาั่นพ่อก็าล้มห้ใจเขาออกคนแทงคักลายแทงเลยบนลายมาเลมันย่ำชีตายก็เชบ่อได้ลงมตายช่อ่ได้สะดุกาเป็นผู้บนอนใจในวตารส่งสารนาี่เลยที่เป็นผู้เบ้านนายในวตารส่งศารนายานเลยนะคนตายธนาเจ็ยรตเิเดเห็นโลกรอบหนึ่งเหลาโลกจะไปเดียวคนตาย เบิ้งโลกเเบิ้องยากนี่อย่างเห็นความแก่ขนาดจิดหนึ่งแต่เห็นโลกมดมันเช่ยวขี่เครื่องวินไปเบิ้งประเทศนั่นไปเทศยบดีจังสหว่าเห็นโลกว่าแบบนี้เห็นหอดมัดพอดสัตว์ที่ได้สารเห็ดมัดริ่งที่มีง่ายข้องเสียงอยู่น่ไม่เกิดไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายเดยมมเหิวไม่ห่าไม่ทุกไม่ยากนเห็นจำพวกนี้แล้วก็เห็นโลกมัดนี่ โลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันก็มีเท่านี้มันมีในสิมาทีสอนมารับอยู่นี่มันเข้าใจว่าโลกทั้งหลายมีเท่านี้เน่ะมันเทียร์ทียานในโลกมันแตมีประตูแก้ขึ้นกันมันมันมีสิ่งมาผูกข้อหนาเดียวว่าสันอมันก็ค่อยเบาลงขึ้กันคอยง่ายลงขึ้นกันามันเสียพผูกข้อจะคล้องกันขึ้นจะพหันไปไหนหยาออกขึ้นมาด้วยที่ตายเขมบอก ว่ามันจะเอาส่วนเสี่ยวกับทังเงินทั้งหลังขุงนแก่ท่านอยู่แก่เจ้าของใช้ธรรมะพระพุทธเจ้า่ามันแก้ธรรมะมาใส่เจ้ า, า, าของไถ่ชีมาสอนดีปันพระเจ้าห่ามามอหปเปนบ่มีอกม่หลงจะไปเสือเลยผีมันก็มาเห็นมาสอนจะเชือต่เบิ่งหัอผีดูเอา เฮ็ดดีปันกุฏิวิหารพระองค์เจ้าห้องบอกอย่างสองเท้าอ่ฮะผู้ที่ตนิ่งกันทีตายต้อไปเฮ็ดให้มันอยู่พายไปปั้ชไะกวดให้ข้าพี่ผีดล้ฮแค่นี่ฟอกข้ามไว้บอกข้าพี่พระพุทธเจ้าของห้าฟอกข้ามบนตัวไว้ฮู้พระพุทธเจ้าของห้องฟอกข้ามบนตัวรอท่องแยงท่องแยงตัวฮู้ผีพลายไปฟอกข้าไว้นั่น พอข้องผีเป็นไอยถาหรือว่ามแม่ข้องผีไว้นีโ่โผหรื อ, อว่ า, าัำหมดนี่ก็ซ้ำเหมือนกันข้าารมีตัวพระธรรมาตุจะฟ้องนนถึงพ ร, ระพุะทธธาตประสงค์นั่นเรื่องใดเรื่องใดก็ดีพะเป็นถาเป็นธาตุพระพุะทธธาตมประสงค์อยู่ตรงมือข้อยขี่รถเงียบรถเยัยหยำทนไร้ข้าดำมุก ฉะ น, นัสกุลนักกายว่าใจใจข้าไปเจ้าทุกคนทุกแห่งทุกวิที่ท่าทุกมือเมีปรปมา่านผ้าเนี่ก็ขาเถินนนสมน้าส ม, มุดปากหายคืเช่นเชิงฟ้าวนส ม, ม, ดมุดิห็ว่าพูดเขท่าพระ์ขีใส่กื น, น, น, นกินร้อมมมีเงื่อนงันขึ้นชีกะเธอเพิ่งนู้นสมุิป่านังปากกระกบอกกายพ้ากระบอกไกพี่ไทยก็บอกมหามงสัตวน์นรด ยิดใจจะนับมือสูงขึ้นนะเนี่ะนับถื่มือสิมีซัทถาขึ้นชูประวัติสู้ได้อย่งได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะใช้ยุคหัวใจที่ว่าสันกูหายังไหนกูเห็นอยู่นี่วัาสันหัวใจกูเริ่มใช้อยู่ดีด้วยวัดสันกราทั่งนั้นก็ไ่ได้นักหิงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้หัวใจเนี่ แขนไม่ไหวใจแล้วสรรพอาจารย์ทั้งหลายแขนไม่หหวใจแล้วหุกขล่าสาไดบุษกระซางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทนายสิมาแขนไม่หหวใจเเบ็ดที่น้อมไหวใจเป็นคาเป็นธาตุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ง ย, ย, งยุทเมือ ง, งนเห็นแล้วเลื่งองได้เ่ได้กรณีนั่งตามตะเ่าเขาซูมอนิพานคน เทุกยศเือบูชาพระพุทธพระธาตุพระสงฆ์อยู่ทุกมืองามาสั่นความเก็บความปวดกรไดนี่เทไรกับสืบูชาพระพุทธพระธาตพระสงฆ์สุขทุกอุเบีขามนีเทไรสบูชาพระพุทธพระธาตุพระสงฆ์มันมดเนุทิมัดเดียวสั่งชิ้นเนี่ยโลกทานดี๋ทวไม่เทกบสอบูชาพระพุทธพระธาตุพระสงฆ์มัรมาสั่นสกุลละกายสกุลละใจสกุลละใจก็ดีขอถึงิมสิ่งพุทธพระธาตมพระพุทธพระธาตุพระสงฆ์อยู่ทุองามมีประมา เลี้ยหน่อยเรื่องงูทางพระเจ้าไปหางวมันประครําอยู่ที่พระสา่าหกปีเจ็ดปีเรนน้อนออกม า, า, า, า, า, าว่าไหไบริเวณหงง้อมังสวิราพ่อแม่ตามหาไปเห็นยี่พี่พระสา่าหกปีเจ็ดปีชูประเทศยังไงอยู่ข้าศึน นั่นในนี้แล้วมาั่นมันมืดพวกยันหูออกไปเลยสู้ยานพี่หลอกบอกว่าบริยานไหนสู้เห็นจังไยมาสั่นก่อนแล้วลึกพุทโพุทโทโยมาสั่นพอะเพิร์นบอกมาสั่นไหนยังเพิร์นบอกกันแล้วก็เลยจับเอาไว้ได้ไว้เฮ้ยพุทโธพทโาสั่นไหนยังเพิร์นบอกกันเจ้ากรผมนะถ้าเจ้อันงอข่อยมันเสียผมช่วยรับว่าสั่นรับชุวยรับไปผูสู้เห็นยังแน่ เห็นจะพระจะเน้นรับไปวะเนี่ยชูว่เห็นผีบอกว่า บ, าบาเห็นพระโพธเจ้าคนได้ยินพระทางร้ายบอกกันท่านทางร้ายบอกอีหยังกันกนะบอกเลี้ยงเล็กน่อยเนี่ยพอหน่อยวะเน่ยเรื่ยงหน่อยเขาภาวนาเนี่ยพิประสาวเนี่ะยเขาไม่อยากโออคนพิจนาคนบริกำภาวนาะพุทโธพุทโธอยู่มีกังขึ้นกังเว้นเขาทังพระสวัดาบัต น, นาฤย์วะเนี่ บาคนธรมดาเลยภูติเจาเขาตื่นดีเลยเ้ี่ยโอนจิดโอนใจเขาไปทั้งแมนเขาถึงเลยกันดินนะสองแสนเสียเมือนโนยดหรือน้าคนังก็ตามลูกระเบิดปลมาโนูเขาทำไรแตกจิตใจถึงว่าพระพุทธประสงค์หล่ะพยายาทำไรพอแตกคิดใจชัดท่า ควมเสื่อนี่ควมเคารพนับถือเนี่มองสันเอาไปเป็นที่เพิงเสนอที่ปฏิปฏิบุสิษาอยู่ตรงเมืองบ่มีะมานจากเถ่าเขาสู่พันธพานผลจากทุกนายว่าาทงสารโดยด้วนในปัจจุบันศาสตร์นี่ก็คาเทินปัจจุบันไอเจิตปัจจุบันไอท้ำมันไอทีุ่ดพ่นบวกครับกบสเนือเศษให้รู้ตามเป็นจริงให้ปฏิบัติตามเป็นจริงให้ลดพนตามเป็นจริงยุทธุงาวบ่มีะมาณก็าเทินอ่ะอันพูันพูดบาแล้วมีแกกรมแล้ว ผู้บ่าลไม่อ่กัท่านแกกาอันนี้อานาคตระการ น, นั้นเถินเนี่ยสิว่าไงช่หคุณจังมาหัน่แกกากมันผู้แกกาแล้วกับเขาเก่าในปัจจุบันน า, าสสเขาเขาทําบุญยินท่านนียงในางเขากระบาดศานาุทโธในปัจจุบนาาันนสสดเขามันพวกว่ารม่ับาทานแกกากถ้าบุญินท่านนียงบาน า, าเถินพราะอสีอนิยเมตไตุน้นาบ่าวเนี่ยผู้หันแกกาาวัน อันนั้นแก้ก้าวเธอเลวที่ฟาซิเียเมตยมายเป็นกระไรผู้ฝากไว้พูนอีกในอณาคตการนันเธอนยังโมฮันวาฟาซิเียเมตัยพวกนั่นอณาคตการนันเธออณาคตการนันเธอหนึ่งอันนั้นไกลร้ายนึ่เ น, นี่ยมันแก้ก้าวผู้ พ, พันอ โ, โหฮวอณาคเตกาเล่น่ไกลโยพวกนั้นขานเพืนพ่นผ้าวอณาคาเตกาเล่นึ่งเข้าก็ว่าค่อยๆให้ใจแล้วะ แม่กระจิวะแม่ทราบนี้ไม่ไ ว, ว, ว้าแม่ผู้ขาเทอร น, น้าขอว่าเสนอเร่งเงินใจพระจิวะนั่นเพิ่พนลราบอกจ่สุดจาวะเพิ่นยิางนี่นคือถือว่าขาดข้อเพิ่นถ้าเอามีปัญญาละะ้วบอกท่ย่างมาเกิดมาตายตายยังกระโดอถ้มาม่ในวันตารงสารนี่บุมมีเกิดมี่ตายของพ่อมาเรบอกมาตอนใด้ทราตอนได้พบกับมาเกิดมาตายยังเียมะกินขาปาขีออกจากห้องขี่ ข, ของเกา่า บอกขสัทลนโรธว่าเมื่อแกเมาเอเคปมาตายช้าเก่าก่นมาหาเต่ากินเย็นช้ำเก่าก่อนงอสุฟ้านาสุแดดนาสุดินช้าเก่าก่อนมาห่อมหาห้ฮ้ากันช้าเก่าก่อนชั่วกลับหนึ่งพระพุทธเจ้าคนหอบชั่วกับึงมีพระพุทธเจ้าหาพระองค์บาวหาพระองค์บา นังตาของส่านทั้งหลายชั่วกลับหนึ่ง <c oughs> เก็บแหวสาตแล้ว์ละเม็ดหนึ่งสยศหนึ่งัวกลับหนึ่งมากกซีมหาสมุทรหมพานี่กััวอสงใครอสงใคกลั บ, บสิ่้อยเปนได้สั่นแต่มันลวงไปแล้วนี่อสงไคอสงไขกรกลับเลยเนี่ยหน้าตาของสานเนี่ยมันเทมาอีกก็คือกันนั่นชั่วทั้งหลายทั้งเที่ยวอยนี่กแก้เ ก, เก็บตายอยู่นี่ สัทั้งหลายหังศีรษะศีลาหังสีรษะสีนายเองจังสีพนไปได้เมื่อสั์ทั้งหลายเมื่อหันศีรษท่านลาบเมื่อหันเบือท่านนายเ่ท่านศาสนาโค่นลงมเกิดของกรณี้มื่อลงมเนี่ยเสด็จการปฏิบัติชิ้นธรรมนี่ยโค่นลงมเกิดของเนี่นับหมื่นหน่อยลงเนี่มื่นับมื่นสิมีกำลังเลยพระวิชาข่อยแช่นามเนี่ยวิชาถือพระพุทธศาสนาเนี่ยวิชาข่อยแช่หนานับมือสิบยึดไป เออมึงติดปัวไปนั่นนั่นทั้งประเทศขนะเห็นบอกใส่รงใส่รงทั้งประเทศขนะ น, นี่เอาใส่คืนนี่นั่นนี่นี่นยลอมทุกกะอะไรนะเห็นบอกบรจากอายบ่อจากอายัาาายยงไหนเกิดมวนออกจากดากแม่มากกับเอิรนค่นตํางแหนะผลว่ามึงเออเมวนออกจากดากแม่มา ก็าหายเก็บก็เจ็บยังแก่ก็แก่ยัางเปิดเผยเก็บก็เก็บยังเปิดเผยตายก็ตายย่างเปิดเผยที่อยากอายังไหนอืมตายมวีผู้เห็นของแมนบ่ถ็เห็นดวยว่แก่มัวีผู้เห็นของกลุ๊ปไข่บ่ปดิแก่็ใช้จังสีมั้ีผู้เห็นไปีิเ็บก็ใชสจังสีมัี่ผู้เห็นทางโลก น, นี่กองทุกเนใส่เลื่อนใส่เลื่อนมันมาทัพมาเทศนาเล้แต่สองพันห้าร้ยยี่สิบสองเฮ้ยมันยิบสามยีบสี่ยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดยี่แปดยีบเก้าสิบสี่สิบเอดมันได้เก้าปีไงใส่เลื่อนอ่ะ เขาอยกเข็นทัประทุกมาเบิ้งไต้โลกธาตุไอ้โลกธาตุเนีเป็นคุกเป็นคุกไซสัตย์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวทัศนาจรทัศนจรไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่ลบไม่โกดไม่หลงในเวบนไมยสารพัดโขปปุ๊บนโลกกันนี่มรรคเมืองค้นมรรคเมืองผีมันแห้งไปก็นี้ มีวเรือกเรื่องคนน่ารักเรืองข้นเดี๋วไปใช้เมีตะกรองทุบสมมตินาของไส้อร่อยล้านค้นกับล้านกองฟ่อนเจ็ดแสนโกดเจ็ดแสนโกดกองฟอน กระดุเป็นเฮื้ยนพญายิา่ิตตลากหน้าตางเฮี้นพญายิา่ิตตลาดคือตาคือหูคือดังคือปรากคือตะวันนักตะวันเบาขุ้มขนขุ้มผมน่ย ม, มันหน้าต่างหน่อยเนะี่ยอันนั้นไม่มุงหลวดขุ้มขนขุ้มขนมขนุมงหลวดพญายิ่ิตตลาดนี้หน้าตางประตูพญายิา่ิตตลาดนะซ่องตาซ่องดังซ่องหู ทวารปากทวารนักทวารเบาปักตูพระญาติตลาดทวารทั้งสามกายทวารทวารคือกายวจีทวารทวารคือวาจามโนทวารทวารคือใจทวารเปลืากทา้งเดินคือปักตูบานสามทวารเนี่ยเขื่อดินอยู่นี่ ท่องเที่ยวในวัดตาท่งศารนี่แหละท่องเที่ยวน้ำตาท่องเที่ยวน้ำหูท่องเที่ยวน้ำจมูกท่องเที่ยวน้ำลินท่องเที่ยวน้ำกายท่องเที่ยวน้ำธรรมาร่มพลมึกคิดกินหลายผู้หายอยากพอนมากผู้ดูตื่นกับแอันนุ้นี้แหละพรท่นเบื่อพรท่นนายซั์ทั้งหลายพรท่นเบื่อท่านนายซัดทั้งหลายจึงมาในท่องเที่ยวอันนี้สัดไปนังมันจะมีใจเพราะซัดทั้งหลายสอบนึกคิด น้องโมเบือบานายพระอารียาเจ้าพนเบือ้านายแหะพระรียาเจ้าเขาสู้พนิพ่านมัมันใจ่บบโพนดับจริยมักกจิตแล้วมันเป็นถ้ำล้วนๆพรข่านหนึง่งจีข้านชิดพร่นเรศวาสู้อนุ ป, ปาทิเสสนิพ่านมันบป็นอย่างน้ำเนึ้น้าคิดอนนะไเป็นถ้าล้วนๆเป็นถ้ำอนุปตาล้วนๆอนุ ป, ปาทิเสสนิพ่านัดวเป็นยังมันจังมีลืน่นเพราะสัตมันสอบกิน สอบรถอะสัตว์ย่งจึงไม่หูพอยังมัหันเบื่อหูยางสอบฟังหูอสัตว์ทั้งหลายไปยังจึงม่ดังพอสัตว์ทั้งหลายนี่สอบดมกินัตว์ดมกินหอมอะเบื่อบ้นสัตว์ทั้งหลาย เปลยจะมีกายบริษัททั้งหลายต้องการกระทบกระเทือนต้องการเย็นห้อนอ่อนแข็งบริษัทอันกายกระทบกันนี่ยมันหยาบมันหยาบหลายมันเป็นปลสและซีกยอดกายผู้ยิ่งกับกายกายพระกับกายเงียโง้องกับกายไม่ออกกระทบกระเทือนกัน คุณมาหันโทษอา น, นั่นเป็นปรัชชิตย์หย่องกายผู้ยิ้มกับกายพระก็กระทบกระเทือนกันในทวันนักก็ดีในทวันเบาก็ดี น, นั่นราคาดพระนะทวันปากก็คือ ก, กันทวันขี้แร่ก็คือกันหนังคุณมาหันโทษอา น, นั่น พระพุทธเจ้าสอนให้เบื่อให้นายมอทั้งอดีตทั้งอน า, าคตทั้งปัจจุบั น, น่าจาทงสานี่กาลังสสมาเฮียนนมูเฮาเบื่อนายเลือนไผ่ตัวมูเฮาจังวอยากให้มีเวือนี้ไผ่จังอยากรักษาศีลินทานเบื่อนายโค่นโลกบโกรดคบหลงตัวจังพญายา ม, มามาละอยู่นี่เขาพญายามยีป่านนี้มันก็ยังมีอยู่ทอเป็นฝเป็นเดนี่เ้เาว่าพญายาจะเตือนนี่เข้ า, ย า, ย า, าสิวาที่ไหนสักมันแห่งสิบวรคคนนี้วะ ถ้าาง น, น้ถ้าบุญนี่สมนี่ก็โลกโลกรโกหก่อหาบนว่างบไรขาบ้นใช่เพราะเป็นจะหนูม่บนว่างบนแผ่นดินอเนี้ย่วเห่บ่เห็ดจะเครื่องส่วน ห, าาห่อหาบ่อมีถ้ามีศีลมีพรวนาน่ะมันชิบะให้ก็นี่บ่ชิบะปันหมาผมพกเห็นกันจะแลนกับกัดรดตัวอิงอิงอิงเนี่ยอกขอานตัวไหนเขียวสันกับกลังหน่อยกับตาย น, น่ขาบฟาดผน ห้าสิประมาณได้ป่ะประมาณกมาพูดพุทธธรรมพระสงค์นั่นใครจะมาสอนดีกว่าพราะองค์เจ้ามันเฉมีบ่ะพระองค์เจ้าองค์ไหก็มาสอนเป็นธรรมขับสอนอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อไหรมาไม่คอแยงแข่งดีกันนี่ยังมัคือก้อนไมก้ก้อนโมก้อนผักกพวกเลยก้อนไมายก้อนโม่เนี่ประสั้นขั้นแข่งกันสุดนี่กู ด, ดีสุดนั่นมันบมดีสุดไดนดีวัดพระพุทธเจ้าคือกันวัดเป็นธรรมอันเดียวกันนั่น ฝาเดียจะเ้าขึ้นกันเสมอกันวัดถวกพระชวดาบันเะ้าค่าขามีอานาจขามีอาหารหันก็ไดสอนไปทั้งเดียวกันวัดมันไข่อแย ง, งแข่งดีกันมันมันคือทางโลกทั้งสงสารเนาะมันย า, ยากเก้าอี้ก็อ า, ากันเขาสู้มันที่านไปรุดรุดรุกกมรรมกก่มันยงกั น, นมีแต่ในวันตาสงสารนะมันญยาดกันมัวมากขึ้นนอนเสมอเนี่ย น้อนหัวหล่นกับปานั่น้อนหัวดำกับปานั่นญาติกันปีนความเปร้งงายอยู่นี่นอนหัวหล่นกพน้อนหัวหล่นนอนหัวดำกับพ่อนอนหัวดำในใจโลกธาตุเยเป็นดำไรของพระพุทธเจ้ามู่ห้ามมาญาติกันอยู่นี่มาปีนมาเถียงกันอยู่นี่มาจกตากันอยู่นี่แล้วปีนปีนตากันอยู่นี่นั่นกูดีมึงซัวอยู่นี่ข้อมดีพูได้จะญาติเอา ควบสวดทีเหมือนกันตุกตามตุกตามให้เจดีย์วัดลบกันเยอะเสมอเนี่ยเพราะว่าญาติควบดีกันควบสวดทีเหมือนกันตุกตามตุกตามตุบตามแล้วก็ไปจากได้พระพุทธเจ้าจะมาสอนใครตีเก่งก็บพระพุทธเจ้าว่มีหรอ เขาสืบเรียนเรียนศาสนาพุทธเจ้าเรียนเวียนบ่ไรมันหงายยุคทุกยุคทุกสมัยอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาศรงลโลกคือค้าสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแหวนซองท่าข้ามสอนพระพุทธเจ้าแหวนดวงใจก้ามข้ามสอนพระพุทธเจ้าแหวนดวงท่ามก้ามข้ามสอนพระพุทธเจ้าทรัพย์ในดินศินในน้ำข้ามสอนพระพุทธเจ้ามหัศจรรย์มหานนี้ก็เหมือนข้าสอนพระพุทธเจ้าน่ะเพื่มาพืต่อพุทธเจ้า ดวงดีดวงบดีปฏิบัติข้ามคำสอนพระพุทธเจ้านะ่ยดวงดีปฏิบติปฏิบัติข้าคคาสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าดวงบ ด, ด, วงดีดวงคิตดวงใจสิได้ดวงมารถใสอ๋อดวงของสัตว์นรกควายสิงสักจิตในแท้ก า, ายโลกธาตุแต่ว่าสิงซักจิตในไายโลกธาตุแม้ยังคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขําสอนของเฮาเนี่เน้อเป็นศาสดราของ่านทั้งหลายเนีย่ยนิ่มเฮาลวงรับดับขันไปตัวใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา พูดได้ดไประพืชเล่าพูดไั้ปลาพืช <capable>. ถ้ำ mm พูดได้เ <lever> บ <es Paradise graduate> ียดเบียนเล่ากับพูดนั้เบียดเบียนถ้ำพูดใด้ร่งเกียรเล่ากับพูดนั้ร่ังเกียร์ถ้ำพูดได้เข้ารบทัานกับพู้นั้เขารบเล่าพผู้เข้ารบพราเข้ารบมันไผยเด็กเพราอยากคิดตลาดดอกจังหวัดลบผูมันพ่อเดินโยกลมนีจังหวัดเชียงใหม่พเดินไปเดินมากอย่าพออย่าพอเดินนี่ยังกระโดน เราพุทโธเข้าพอเห็น <Techn> พ <Pokémon> ุทโธเข้าหายเดี๋ยวพอเห็นเขาเดินหาพุทโธเห็นเวลาเงี้ยพอเห็นันเห็นยื้อสยเห็นอยู่หัวใจถ้าโมก็เห็นพ่อเห็นสังโคกเห็นพ่อมเมื่อเห็นพุทโธเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ยังเกิอยู่ในวัดเห็นเห็นพุทโธเราเห็นวัดอรรถเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณผูบายอาจารย์ผู้ท่านผู้ม่ขุนกข้า่าถอดยู่ในคุณพุทโธหัวใจในวัดเราเห็นอุบายของมัน คล้อดีค้องสัวเ็นยุทธ์เ่องหัวใจนี่หัวใจเฮ็ดขึ้นกลายเป็นหัวใจนี่เป็นผู้สางขึ้นควมดีกับหัวใจเป็นผู้สางขึ้นควมสัวกับมปนหัวใจเป็นผู้สางขึ้นตาหงษ์จมูกดีมันเป็นคู่มือมันเป็นผู้รับใส่เฉยๆทำให้พ่อรับใส่ได้มันรับใส่เพราะอะไรมันกระบอรับใส่มันเจ็บมันปวดออมาจะติีมมาได้มันตัวรับใส่ทำงานคิดตลาดสิบอกใครมันตีงมันกระตีมมาได้ มมีสิ่งงายคิดตลาดผู้เดียวเพิ่งจะคลองพราหน้าตายอยู่บ้านเนี่ยตื่นเมื่อไรล่ะอนาคตไม่กินได้เอ้ยไปสั่ก็บอกเมื่อไรมาเหม็นชีให้ได้เอ้ยไปสั่ก็บอกเมื่อไรมาพิขี้ซะเน่ก็บอกบ่อไรบาดเลานีสงแรกเรมหาใจเงียบเงยบงอันสั่นบอกได้ยังมันคักเมื่อ บอกได้ท่นบอกได้ว่านคักปะไหนั่านบอกว่าทํานใดย่งแค่โตระบาดเนี้ก็ต้องพระวนาสายบาล น, นั่นแหะเขาข้อห้อมแล้วบนินหางมหัศพาวนาไว้แต่เดียวนี้กับบุได้ล่ะมันแยบสิายมาจักว่าพราวนาผู้ท้อผู้ท้อจ่างมันก็ บ, บูยูข้อขมเสือบพ่อมันต้องปลูกค้อมเสือไว้แต่เดียวนี้ หลวงสันอาหลอดว่าแม่หลอันนี้พวแม่น้งไผ่ไเมีนตัวพจน์ยังหนีหมดสุมพระอาริยาเจ้าพระธาุควบสุ้มในหลวงมันบวชพ่อข้ามันพ่ออยยุเพิ่นสับปวีน่แหละมันบวเห็นควบสุ้มในโลกอันนี้เพิ่นจังเบือจังนายเพิ่นเบือนายควเขาอจะตพิษต้องเพิ่นพรเขศาสูพรนิพพานไปซะ หาความสุขบ่เห็นเนี่ไปจะไปหาความสุขเก่งปนเพลินนุชี้ตีตีแปลวาผู้ย่อยยป่อยเลยนะทั้งวโลกหลงเลกหลกเลีกอยูลล่ลกทั้งหลายหยนลงมาหาสังขารโลกสังข้าราปรามาทุกข้าสังขานเปทุกข์ยัางยิ่งโลกเป็นทุกข์ยัางยิ่งกขม บกพิษเทวโลกมนุษยโลกสัตว์โลกนึกกรบินใบไม้โลกบินฟ้าอากาศโลกรวมลงมาหาสังขารโลกรวมลงมาเป็นสังขารโลกก็เป็นทุกข์ย่างยินมันก็เป็นทุกข์ยังในวัตาสงสารไอ้นี่เห็นสั้นเพิ่งยังขามทุกข์ไปซะ มันมาทุกข์อิจค่อยได้หลงทุกขยู่แล้วบ่หลงฮะนี่ยิ่งมีชา บ, บ่หลงทุกข์คนดูตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุ้พุนตามเป็นจริงแหละเพะื่อก็ไปซะไปวังหลังเมืเ่อเรือหลังขึ้นมาซังรถเสียดายอะไรพอเห็นมันพอแห้งเนี่ยเห็นหอดโคดมัน่นทน โคดว่ามันว่าเทียงโคดแกโคดเก็บโคดตายโคดว่ามันว่าเทียงโคดทุกโคดยากเดี๋ยวโคตพูย่านวยสันย่านครอบโคดด้วยสันโคดอันว่ามันว่าเทียงโคดเป็นทุกแม่วัดจ้ารุงสารนี่เดี๋ยวว่าย่านครอบโคดปัญญาจักซูจักซูคือปัญญาสามันตายจักูจักซูคือหลอบคอบหมันสามารถที่หัวโตสามารถที่หัวตอนนั้นนั่งแข่งกันสามมือสามขึ้น กูได้นั่งรู้ได้กินขนมหลายเจ้าปัญญาสิออกจากโลกผล ม, มั้งนี่อันนั้นคำพอดีไปไหนแต่ขังมดประมาทก็ดีก็ปรเฮ็ดอยู่กระตายขาหาันกลไปพ่อมโลกขึ้นกันพราะอันนี้สองซ่านยังดีอยู่ผูนพูดทั้งคนทุกนายวตารทุกสารอำเภอเป็นจังสั่นอุบายได้สิหน้ายสีเบือในายวตารทงสารเนีน่เอามาคิดเอามาหนือทั้งนั้นร่วมมืร่วมกับได้วุ่นสีนั่งไหนเธอได้บริวาสีเดนเดินไหนเธอได้บริวา ว่าได้ข่าวพเจ้านี่ไม่มีควนหลงไหลในวัดตาทสงสารอาเป็นพ่อข้าพระเจ้าทีนั่งอะไรทรายก็ไม่รู้เดินอะไรทรายก็ไม่รู้ข้าพรเจ้าต้องการชีคิ้นวีซ่าเบอร์นายไข่เมาในวัดตาทสงสารนี้พราะมันบมมันโมเที่ยงข้าพรเจ้าว่อยากรูอุบัยได้ข้าพรเจ้าอุบายได้สิ่แท่ก่อยให้มันจืดก็เอาไปแท่น้ํำนี่ว่าสั่นเถอะ แช่โดนหน้ามั่วมันก็บผจืดโหอันนี้ก้มาขึ้นก่อนโหไปใช้กับมหาผู้เทศกับผู้ฟังนี่แหละโเรื่องแกเลื่เก็บเรื่องตายกูบอกเรื่องผู้เทศะกับผู้ฟังนี่แหละผู้บ่ฟังมันก็ถือยุบทั้งหลายเกิดมาเราแกเก็บตายแต่ผู้เขาบ่าฟังมันถือบ่าวฟักระถือถืออดพบมาโลกพุ่น ภูมินมาฟั่งอะไรคนเปียคนคลอมก็ถือมดน่ะคนเปียคนคลอมันแก่เก็บไตอกันคนหูหนวกตาบอดมันจะว่าพราะเจ้าคนเทศทำไมจักประวัตินาสูตรนมาเทศไนยินอพมาโลกไนยื่นหอดชุดถวายมันก็ไม่แก้ไม่เกไม่ไตอกันดิมันก็ถือมดถึงก็ได้ยื่นมดคนเปียกคนคลอก็ได้ยินมดก็สิหน้าต่างสปิดอยู่กัเปิดก็ คนหูหนวกตาบอดคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจด้ยินมอะไรคนตาบอดหูหนวกเขาไม่แก้เก็บใจกันเนี่มันคือยังคิดว่ามถืกว่ากันมันถือมัน่ะห น, นะนะากบะชัวเข้าใช่ไหมขับเข้ามาเที่ยวโดนมันของมันมันชัวเข้าขับมาจราศาสตร์จราศาสตร์ชัวเข้าเนะี่ยพราป่านเข้าไปเรา ง, ง่วลเราง่วย ไปนั่งอยู่ห้าใหม่ห้อมันหใหม่ห้หหหหหนี้เปลี่ยนไปอันนี้ต่ละศาสตร์และพวกเนี่ยเมื่อท่านโดนนี่ดิงั้นทียืนทั้งแปดสิบเก่าสิบปีกับบพ้นตายสาเก้าพนา 3, 9, ันละเ่อท่านโดนนี่ดิอไรเป็นะอะเมื่อแบะบเมื่อแปลงแซงเมื่ออะไยังเมื่อแป้งแซงก็งงงงเกิดขึ้นว่า ก, กับกเมื่อให้มวลออกมา ก, กับกเมื่อให้มวลดกักเม์ออกมา พอมันเสียมาพานสนามถูกมันแหกพอกบุหรีเตมือเกิดคนนั่งยนในท้องแม่นั่งยนในท้องแม่กันนั่งเงงย่องนั่งเงงย่องที่มอ่องค่องหันหลังหันหน้าจะจะนลังแม่ นูสิเพื่อเร่งนีฝนก่นว่าเอามือคล่อ ง, ง้ล่งนี่ันหลังแต่มแม่แ่แ่นันหงายจะท้องกบหงายแต่แม่นอนแข้งแม่นอนแข้งจะท้องแข้งแต่แมกโมลุ่งจะท้องกับลังคดจริงีแต่แม่ท้องนี่ใหญ่มากแตขี่มันได้กรบลาบากจสีเดยคาดก้วยขีย่ก็มี มีนะเหตุผลที่ เ, ดเสด็จพระคุณพ่อคุณแม่มันจะไม่หลายเปรียบเหมือนพระหรหันลผู้ได้ประมาทหรือว่าไรบวทำบวมมากค่าเ่อคืนเป็นพระเขาบ่เจริญเป็นคนข่าวคนขายกบฏเจริญคุณพ่อคุณแม่เปรียบเหมือนคุณพระหรหัลพระพุทธเจ้าเกิดมาพบได้าศาตร์ได้บัติธรรมพอที่แม่ พา อ, องหนึงบวชมาแล้วเห็นเขาเอย่างพ่ออย่างแม่มาเป็นถ้ำได้เขามากเอาไปให้พ่อแม่กินได้พาพ่รท้อนสบายมากเป็นพาเลี้ยงกขาไปซักกระนั้นขาวให้พ่อให้แม่กินหัวฟื้นไ ม, ม่ก็เอามาให้พ่อให้แม่เอาไม่เป็นเมื่อไรก็เอาแม่ตายหับเมื่อไรก็ขอนเอาหอบเอา นาโม่เี้ยกับปตาข่ายพอ่อแม่หาปรได็กับข้อนเอาหิวเอาเผืวอพันว่า น, นาของเพิ่กนกระดัมเพราะไม่คอยแต่เดินอยูกอนะ่กลมเพราะว่าน่าไม่ไทำกิจทำใจให้โปง่งนักชู้ทางร้างกับไปฟอ้องพราะพุทธเจ้าวบวชมาเลียงพ่อเรียงแม่ไม่ได้สมาธิสม บ, บัติอย่างน้ำเพื่อน วางช่นเอา้ามือแรงเทาสิีละข้างเราขอยกมือแรงมากครีละข้างพะว่ามาซุมกันบัดพระกกตัวประพืชทงสัตนนีหรือเปล่าอฟังพู้งสัตวนี่แล้วขอนอ่อยมาเช่นตัวคือเ็นอย่างไรตัวจังคือประพืชทิ้งสัตว์ว่าให้ขอหนออยเบาขอน อ, ขอน่อยกับพอใจจากเบาอยู่มาเช่นคนอ่อยจากฟังเทศอยอ่ในตอนนี้ว่า ขอน้อยปตีดอกตีผูพนมาฟองพอต่างสิไหลฟั่งเทศในตอนนี้ทำมันถือขอน้อยกสิริักษาไว้ทำมันพิดขอน้อยกสิละว่ามีความเสียใจยักเมรร็ดของนักปาก ด, ด้วยผมว่ามันนักผมว่าผมว่มันหนักทิทีมานะเว้ย คือขน้อยเน่ัตชีไคุณพ่อคุณแม่น่ตามภาษาพี่บาของขน้อยไรวัดขึ้นกับอกวัดว่าพ่อเพิ่นต่งขั้นเพิ่นกิดหัวเพิ่นต่างขั้นเพิ่นกระว่างความอยู่ควม่กินของเพิ่นนะไปมาท่างไหนก็ระมัดระวังว่าอยากหายหลุมว่าอยากหามันแฉ่งออกว่าพ่อเพิ่นเพิ่นได้สามเดือนก็เป็นพอขนาดใส่ปลาคอแล้วว่าสั ที่เดือนหาเรียนไปพ้นแห้งละมัดระวังไปทัางไรกระไรส่วนพ่อมาหากินทา้งปลาไปเลยเป็นห่วงแม่้ะ ก, กัอวันชักสิอยู่จังไหนกิงจังไหนไปพ่อขายบะฮะทั้งปลาไปเลยแม่เป็นผู้บริหารยูบาทในห้อนในซ่านยูมายูมายูมานี่ย็ช่องแก้ึ้นแก้คึนนะครับกนับมือทุกข้นละมัดระวังย่าลม่ม กินของเปชรของแก้มลงไปก็ละมัดระว่างยุ่ว่ายู่ว่าทอดไงขา้าวม้าทอดไงข้าวมานอนไงขา้าวม้าสะดวกน้อนตะแคงกับวมาสะดวกไปขี่ข้วมาสะดวกไปเหยาะข้าวม้าสะดวกมีแต่นเนวทุกอรก่อยเลยท่านพ้อมติดแจ้งว่าถ่าพอผู้เ ป, ป็นปาม้าเมืองกินกระาน